สมัยสูตรว่าด้วยพวกเทวดาประชุมกันขขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพั์แคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุ ส, สงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันเป็นอันมาก เพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นเทวดาสี่องค์ที่เกิดในหมู่พรมชั้นสุทธาวาสได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นี้ประทับอยู่ณป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0รอรูปล้วนเป็นพระอรหันต์อันหนึ่งพวกเทวดาจากโลกธาตุทั้งสิ ประชุมกันเป็นอันมากเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทางที่ดีแม้เราทั้งหลายควรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกล่าวคาถาเฉพาะตนในจำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นหายตัวไปจากหมู่พรมชั้นสุทาวาสมาปรากฏอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาค เหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นเทวดาเหล่านั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการประชุมใหญ่ได้มีแล้วในป่าใหญ่พวกเทวดามาประชุมพร้อมกันแล้ว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 เหมือนนายสารถีถือบังเหียนมาบังคับให้วิ่งไปตามทางฉชนนั้นลำดับนั้นเทวาดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดุจตะปูตรึงจิตได้แล้วตัดกิเลสดุจลิ่มสลักได้แล้วและทอนกิเลสดุจเสาเขื่อนได้แล้วจึงไม่วันไหวเป็นผู้หมดจด ราสจักมนทินมีจากสุฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐประพฤติธรรมอยู่ลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลทั้งหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะจากไม่ไปสู่อบายภูมิและร่างกายอันเป็นของมนุษย์แล้วจากบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ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 ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหาสัยยาการนอนดุจราชสีโดยพระปรดเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะครั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลละปะกาญิกาประมาณ700รอองค์ มีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วมัตกุกุิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยือนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยือนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคดมเป็นบุรุษดุดนากจริง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 ที่พระสมณโคโดมทรงให้หลุดพ้นดีแล้วจิต ท, ที่เป็นไปตามราคะพระสมณโคโดมก็ไม่ให้น้อมไปถึงแล้วจิต ท, ที่เป็นไปตามโทสะพระสมณโคโดมก็ไม่ให้หวนกลับมาแล้วและจิตของพระสมณโคโดมไม่ต้องตั้งใจข่มและคอยห้ามปราบบุคคลใดเพื่อสำคัญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษ ด, ดุดนาก เป็นบรุษดุจราชสีเป็นบรุษอาชาในเป็นบรุษผู้องอาจเป็นบรุษผู้ไฝ่ธุระและเป็นบรุษผู้ฝึกแล้วเห็นปานนี้ว่าเป็นผู้ที่ตนจะล่วงเกินได้บุคคลนั้นจะเป็นอะไรเล่านอกสจากผู้ไม่มีนะทัศนะเทวดานั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวคถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าพรามทั้งหลาย ผู้ทรงเวททั้งห้ามีตะบะประพฤติทำอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งร้อยปีแต่จิตของพรามเหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นโดยชอบเพราะพรามเหล่านั้นมีสภาพจิตต่ำจึงไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพรามเหล่านั้นถูกตันหาครอบงำแล้วเกี่ยวข้องด้วยศีลพรตประพฤติตะบะอันเศร้าหมองอยู่ตั้งร้อยปีแต่จิตของพรามเหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นแล้วโดยชอบ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 เขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้สะกะลิกะสูตรที่8จบ 9. ปฐมมาปชุณนนะทีตุสูตรว่าด้วย ที่ดาของเท้าปัดชุนนะสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนปะูตาคารสาลาป่ามหาวันเขกรรงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปที่ดาของเท้าปัดชุนนะชื่อโกกณนธามีวั น, นะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่ามหาวัน เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่ามอมฉันชื่อโกกณทนาาเป็นธิดาของเท้าปัจจุณ น, นะขอถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลือกว่าสัตว์ผู้เสด็จอยู่ในป่าใกล้กรุงเวสาลีมอมฉันได้ฟังสุนทรพจน์ในการก่อนว่า รมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุตรสรู้แล้วโดยลำดับบัดนี้เมื่อพระสุคตผู้เป็นมุนีทรงแสดงธรรมอยู่หม่อมฉันจึงรู้ชัดชนเหล่าใดมีปัญญาสามเที่ยวติเตียนธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกชื่อโรรุวอันทารุณสวยทุกตลอดกาลนานชนเหล่าใดมีความอดทน และมีความสงบเข้าถึงธรรมอันประเสริฐชนเหล่านั้นและร่างกายอันเป็นมนุษย์แล้วจกบังเกิดเป็นเทวดาโดยสมบูรณ์ปฐมปัจชุณณนะทีตุสูตรที่9ก้าจบ พุติยปัจชุณณทีตุสูตรว่าด้วยธีดาของเท้าปัจชุณณสูตรที่สองข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปูตาคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปธิดาของเท้าปัจชุณณนะชื่อจูละโกกนทามีวันน์งดงามยิ่งนัก เปล่งรัสมีให้สว่างทั่วป่ามหาวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าที่ดาของเท้าปัจชุณณนะชื่อโกคณธามีวันะสว่างดูดสายฟ้ามาแล้วในที่นี้นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระธรรมได้กล่าวคาถาเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์ หมอมฉันพึงจำแนกธรรมนั้นโดยปริยายแม้มากธรรมเช่นนี้มีอยู่โดยปริยายธรรมมีประมาณเท่าใดที่หมอมฉันศึกษาแล้วด้วยใจหมอมฉันจะกล่าวอัดแห่งธรรมประมาณเท่านั้นโดยย่อบุคคลไม่ควรทำกรรมชั่วอะไรอะไรทางกายทางวาจาหรือทางใจในโลกทั้งปวงบุคคลมีสติสัมปชัญญะและการมทั้งหลายได้แล้ว ไม่พึงประสบทุกข์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทุติยะปัจชุณทีตุสูตรที่ส0บจบสตุลละปะกากิกวั์ที่สจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัพพิสูตรสมัชริสูตรสาสาธุสูตร 4. นสันติสูตร 5. อุชานสันญิสูตร 6. ศัทธาสูตร 7. สมัยสูตร 8. สกลิกะสูตร 9. ปฐมมะปัชชนทีตุสูตร 10. ทุติยาปชุณทีตุสูตร 5. อาทิตตะวักหมวดว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน 1. อาทิตตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อน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 ได้กล่าวคถาเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้ฉั้นใดโลกถูกชราและมรณะเผาแล้วก็ฉันนั้นควร น, นําออกด้วยการให้ทาน เพราะทานที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านําออกดีแล้วทานที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีผลคือความสุขที่ยังไม่ได้ให้ย่อมไม่มีผลอย่างนั้นโจรยังปล้นเอาไปได้พระราชายังริบเอาไปได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้อันหนึ่งบุคคลจําต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอาศัยเพราะการตายจากไป ผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานครั้นให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงสถานที่อันเป็นแดนสวรรค์อาทิตตสูตรที่หนึ่งจบ สกินนทสูตรว่าด้วยให้อะไรชื่อว่าให้อะไรเทวดาทูลถามว่าบุคคลให้อะไรชื่อว่าให้กําลังให้อะไรชื่อว่าให้วันนะให้อะไรชื่อว่าให้ความสุขให้อะไรชื่อว่าให้จักสุและใครชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลให้ข้าวชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้วันณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปชื่อว่าให้จักสุขและผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมชื่อว่า ให้อมตะกินนทสูตรที่สองจบสามอนะสูตรว่าด้วยข้าวเทวดากล่าวว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งสองพวก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 เพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าอั น, นสูตรที่สาจบ 4. เอกมูลสูตรว่าด้วยบาดานมีรากอันเดียว เทวดากล่าวว่าบาดานมีรากอันเดียวมีวนเวียนสองอย่างมีมนทินสามอย่างมีเครื่องราชห้าประการเป็นทะเลหมุนไปได้ทั้งสิบสองด้านฤาษีข้ามพ้นได้แล้วเอกโม ล, ลสูตรที่สี่จบ อโนมิยะสูตรว่าด้วยพระนามไม่ต่ำต้อยเทวดากล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายดูพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระนามไม่ต่ำต้อยทรงเห็นประโยชน์อันละเอียดอ่อนให้ซึ่งปัญญาไม่ทรงค้องอยู่ในอะไรคือกามตรัสรู้ธรรมทุกอย่างมีพระปีชาดำเนินไปในทางอันประเสริฐทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ปโนโมิยะสูตรที่ห้าจบ 6. อัชราสูตรว่าด้วยนางอับสรเทวดาทูลถามว่าราวป่าหน้าหลงไหลลึกกล้องไปด้วยหมูนางอับสร เป็นป่าที่หมู่ปีศาจอาศัยอยู่จะออกไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือธรรมหิริเป็นฝาประทุนของรถนั้นสติเป็นเกราะกั้นของรถนั้นเรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นนายสารถี ยานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษข้อตามผู้นั้นไปใกล้นิพพานด้วยยานนี้แลอัชาราสูตรที่หจบเจ็ดวณโรปสูตร ว่าด้วยการปลูกป่าเทวดาทูลถามว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อแก่ชนเหล่าไหนชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้าบ่อน้า และให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนวั น, นโรประสูตรที่เจ็ดจบ เจตวณสูตรว่าด้วยพระเจตวันวิหารอนาถบินกะเทพบุตรเล่ากล่าวคาถาเหล่านี้ในสํานักของพระผู้มีพระภาคว่าพระเจตวันนี้นั้นมีหมู่เรือสีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์การงานหนึ่งวิชาหนึ่งทำหนึ่งสีหนึ่ง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 เชตวันสูตรที่8จบเมัจฉริสูตรว่าด้วยคนตรนีเทวดาทูลถามว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นบริาพาทผู้อื่น ทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและพบหน้าจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าจะรู้ข้อความนั้นได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าคนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรนีเหนียวแน่นบริาพาศผู้อื่นทำอันตรายแก่คนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่ คนเหล่านั้นย่อมบังเกิดในนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือยมโลกถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลคนยากจนซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ยากคนพาลเหล่านั้นต้องการสิ่งใดจากผู้อื่นพวกเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นนั่นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็ยังเป็นทุกขติอีกด้วย เทวดาทูลถามว่าข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจอย่างนี้ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ขอทูลถามข้ออื่นคนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้เจรจาปราศัยปราจจกความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าวิบากของคนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและพหน้าจะเป็นเช่นไร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 ถ้าพวกเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งซึ่งจะหาท่อนผ้าอาหารความยินดีและความสนุกสนานได้ไม่ยากบันเทิงใจอยู่ในโภครัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้เหมือนเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีนั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุขติอีกด้วยมัชริสูตรที่ก้าจบ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 ได้ข้ามพ้นเปือกตมคือบ่วงความตายที่ใครๆข้ามได้แสนยากละเทียงกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพย์ได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่าภิกษุสามรูปเหล่านี้คือท่านอุปกะท่านพระคันทะและท่านปุกุสาติภิกษุอีกสีรูปคือท่านพัทธิยะท่านคันทะเทวะ ท่านพหุทันตีและท่านสิงคียะภิกษุเหล่านั้นละทิ้งกายมนุษย์แล้วก้าวล่วงโยคะอันเป็นทิพได้พระผู้มีพระภาคตรถามว่าท่านผู้ฉลาดมักกล่าวสรรเสริญภิกษุเหล่านั้นผู้ละบ่วงแห่งมารได้แล้วภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมของใครเล่าจึงตัดเครื่องผูคือพบได้คติการะเทพบุตรทูลตอบว่า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 ทั้งเคยเป็นสหายของพระองค์ในการก่อนข้าพระองค์รู้จักภิกษุเจรูปเหล่านี้ผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นราคะและโทสะแล้วข้ามพ้นตัณหาที่ซ่านไปในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านายช่างหม้อจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละเมื่อก่อนนั้นท่านเคยเป็นช่างหม้อปั้นหม้ออยู่ในแคว้นเวพลิงคะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาและบิดา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 คติการสูตรที่10จบอาธิตวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อาธิตสูตร 2. กินนทสูตร 3. อ น, นสูตรสี่เอกมมลสูตรห้าอนโนมิยะสูตรหกอชาราสูตรเจ็ดวนาโรปสูตรแปดเชตวนาสูตรเก้ามัชริสูตรสิบคติการะสูตร ชราวัคหมวดว่าด้วยชราหนึ่งชราสูตรว่าด้วยชราเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่ายัางประโยชน์ให้สาเร็จตราบเท่าชราความแก่อะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สาเร็จอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชราศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญโจรลักไปไม่ได้ชราสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อาชาระสาสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุดเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สําเร็จอะไรเล่าตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จอะไรเล่าเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรเล่าโจรลักไปไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศีลที่ไม่ชำรุดยังประโยชน์ให้สําเร็จ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 ว่าด้วยมิตรเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นมิตรของคนเดินทางอะไรเล่าเป็นมิตรในเรือนของตนอะไรเล่าเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นอะไรเล่าเป็นมิตรติดตามตนไปถึงพบหน้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกหมูเกวียนเป็นมิตรของคนเดินทางมารดาเป็นมิตรในเรือนของตน สหายเป็นมิตรของคนผู้มีประโยชน์เกิดขึ้นเนืองเนืองบุญที่ตนเองทำไว้แล้วเป็นมิตรติดตามตนไปถึงพบหน้ามิตรสูตรที่สจบ 4. วัตถุสูตร ว่าด้วยที่พึ่งเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายอะไรเล่าเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้หมู่สัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยอะไรเล่าเลี้ยงชีพพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุตรเป็นที่พึ่งของมนุษย์ทั้งหลายพันญาเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมในโลกนี้ หมูสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินอาศัยฝนเลี้ยงชีพวัตถุสูตรที่สี่จบ 5. ปฐมชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่หนึ่ง เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพลานไปอะไรเล่าเวียนไหวในสงสารอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของคนนั้น <ER <C 'S> พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพลานไปสัตว์เวียนไหวในสงสารทุกเป็นภัยใหญ่ของคนนั้น ปฐมชนะสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สองเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิด อะไรเล่าของคนนั้นย่อมพลานไปอะไรเล่าเวียนว่ายในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทําคนให้เกิดจิตของคนนั้นย่อมพลานไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทุติยชนะสูตรที่หกจบ เตติยชนะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำคนให้เกิดสูตรที่สามเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าทำคนให้เกิดอะไรเล่าของคนนั้นย่อมพล่านไปอะไรเล่าเวียนไหยในสงสารอะไรเล่าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าตัณหาทำคนให้เกิด จิตของคนนั้นย่อมพล่านไปสัตว์เวียนว่ายในสงสารกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าของคนนั้นตติยชนะสูตรที่เจ็ดจบแปอุปถะสูตร ว่าด้วยทางผิดเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดอะไรเล่าสิ้นไปตามคืนและวันอะไรเล่าเป็นมนทินของพรหมจรรันทร์อะไรเล่ามิใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างพระผู้มีพระภาคกล่าตอบว่าราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดไวสิ้นไปตามคืนและวัน หญิงเป็นมนทินของพรหมจันทร์หมู่สัตว์นี้ค้องอยู่ในหญิงนั่นตบะและพรหมจันทร์นั้นมีใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างอุปถะสตรที่8จบเก้า ทุติยสูตรว่าด้วยเพื่อนเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นเพื่อนของบุรุษอะไรเล่าย่อมปกครองบุรุษนั้นและสัตยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นสัตยินดีในนิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ทุติยสูตรที่เกจบ10กวีสูตรว่าด้วยกวีเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็นต้นเหตุของคาถาอะไรเล่าเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้น คาถาอาศัยอะไรเล่าอะไรเล่าเป็นที่อาศัยของคาถาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าฉันเป็นต้นเหตุของคาถาอัครเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้นคาถาอาศัยชื่อกวีเป็นที่อาศัยของคาถากวิสูตรที่สิบจบชราวัตรที่หบจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ชราสูตร 2. อัชระสาสูตร 3. มิตรสูตร 4. วัตถุสูตร 5. ปฐมมชนะสูตร 6. ทุติยชนะสูตร 7. ตติยชนะสูตร 8. อุปถะสูตร 9. ทุติยสูตร1ิบ กวิสูตรเจ็ดอัตวักหมวดว่าด้วยสิ่งครอบงำหนึ่งนามสูตรว่าด้วยชื่อเทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าครอบงำสิ่งทั้งปวง อะไรเล่าไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชื่อครอบงำสิ่งทั้งปวงชื่อไม่มีสิ่งทั้งปวงยิ่งกว่าชื่อเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่สิ่งทั้งปวงตกอยู่ในอำนาจนามสูตรที่หนึ่งจบ จิตตะสูตรว่าด้วยจิตเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักไสไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกจิตนำไปถูกจิตผลักไสไปจิตเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจ จิตสูตรที่สองจบ 3. ตันหาสูตรว่าด้วยตันหาเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักใสไป อ่อยเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตันหานำไปถูกตันหาผลักไสไปตันหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจตันหาสูตรที่สจบ สัญโยชนะสูตรว่าด้วยเครื่องประกอบไว้เทวดาทูลถามว่าโลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้วิตกเป็นเหตุที่ยวไปของโลกนั้น เพราะละตันหาได้เราจึงกล่าวว่านิพานสัญโยชนะสูตรที่สจบ 5. พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องผูกเทวดาทูลถามว่า โลกมีอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกไว้อะไรเล่าเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าจึงตัดเครื่องผูกได้หมดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูกไว้วิตกเป็นเหตุเที่ยวไปของโลกนั้นเพราะละตัณหาได้จึงตัดเครื่องผูกได้หมดพันธะนสูตรที่ห้าจบ ออภัตตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกกำจัดเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่ากำจัดถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกลูกสอนคืออะไรเล่าเสียบไว้ถูกอะไรเล่าเผาให้ร้อนตลอดการทุกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุกำจัดถูกชราล้อมไว้ ถูกลูกสอนคือตันหาเสียบไว้ถูกความอยากเผาให้ร้อนตลอดการทุกเมื่ออภัพหตะสูตรที่หจบ 7. อุทิตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกดัก เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้ถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกตันหาดักไว้ถูกชาราล้อมไว้ถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์อุทิตะสูตรที่เจ็ดจบ บิหิตาสูตรว่าด้วยสิ่งที่ถูกปิดไว้เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรเล่าปิดไว้ตั้งอยู่ในอะไรเล่าถูกอะไรเล่าดักไว้ถูกอะไรเล่าล้อมไว้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลกถูกมัจจุปิดไว้ตั้งอยู่ในความทุกข์ถูกตัณหาดักไว้ถูกชราล้อมไว้ วิหิตสูตรที่แจบ